และกรรมทั้งดำทั้งขาวหรืออาจาเรียกง่ายๆว่ากรรมดีและกรรมชั่วซึ่งยังเหลือกรรมอย่างที่สี่ค้างอยู่กรรมอย่างที่สี่นั้นมีลักษณะาการให้ผลต่างออกไปจากกรรมสามข้อต้นอย่างสิ้นเชิงจึงแยกออกมาพูดไว้ต่างหากคนทั่วไปและแม้แต่ชาวพุทธส่วนมากมักสนใจกันแต่เรื่องกรรมสามอย่างแรก และมองข้ามกรรมข้อที่สี่นี้ไปเสียทั้งที่กรรมข้อสุดท้ายนี้เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่จุดหมายที่แท้จริงของพุทธธรรมกรรมดําและกรรมขาวหรือกรรมดีกรรมชั่วโดวยทั่วไปนั้นแสดงออกเป็นการกระทาในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งประมวลลงได้ในขอบเขตของหลักที่เรียกว่าอากุศ ล, ลกรรมบทิบ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 เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกชื่ออย่างอื่นเช่นโพชงเจ็ดหรือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ได้บางทีท่านกล่าวถึงกรรมอย่างที่สนี้โดยสัมพันธ์กับกรรมสามข้อแรกว่าได้แก่เจตนาเพื่อละกรรมสามอย่างนั้นซึ่งก็คือการกระทาหรือการปฏิบัติที่ประกอบด้วยเจ็ดจำนง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 โดยที่กรรมเป็นเหตุและสุขทุกข์เป็นผลเมื่อยังมีกรรมก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในวังวนแห่งสุขและทุกข์ถ้าเล็งถึงภาวะที่ดีงามสูงสุดเป็นที่หมายโดยไม่ให้มีข้อบกพร่องเหลืออยู่เลยภาวะที่ยังระคนด้วยสุขและทุกข์ก็คือยังไม่พ้นจากทุกข์ดังนั้นกรรมจึงยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับทุกข์และยังเป็นเหตุของทุกข์ อย่างไรก็าตามที่เป็นอย่างนี้ก็เฉพาะแต่กรรมสามอย่างแรกเท่านั้นกรรมประเภทที่สี่นี้เป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมจึงเป็นกรรมที่นำไปสู่ความสิ้นทุกขหรือความไม่มีทุกเหลืออยู่เลยอีกด้วยในขณะที่กรรมดีนำมาซึ่งผลคือความสุขแต่ความสุขนั้นประคนอยู่ด้วยทุก และอาจเป็นปัจจัยแก่ทุกได้ต่อไปกรรมประเภทที่สีน่นี้มีแต่ทำให้เกิดภาวะปลอดทุกข์อย่างเดียวและโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นในขณะที่กําลังทำกรรมนี้อยู่ก็กระทำโดยไม่มีความทุกข์อีกด้วยจึงเป็นกรรมที่ไร้ทุกเป็นภาวะสุขล้วนโดยสมบูรณ์ความสิ้นกรรมหรือดับกรรมนี้ มีสอนในลทัทธิศาสนาอื่นที่ร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะละทัทธินิครนลทัทธินิครนสอนหลักการเรื่องกรรมเกา่าคือปุเพกตาวาสเรื่องความสิ้นกรรมคือกรรมมรกรสยและการทรมานตนด้วยการบำเพ็ญตบะคือตบะหรือตโปกรรมเพื่อทาให้สิ้นกรรม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 และไม่ทำกรรมใหม่เพิ่มขึ้นอีกแต่พระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมเก่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยจะต้องรู้เท่าทันตามเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนได้ถูกต้องคนจะหมดทุกข์ได้ด้วยการทำกรรมแต่เป็นการกระทาอย่างถูกต้องซึ่งทำให้ไม่มีกรรมเกิดขึ้นและจึงทาให้กรรมหมดไป ดังนั้นเพื่อให้กรรมกลายเป็นศูนย์แทนที่จะหยุดนิ่งหรืออยู่เฉยผู้ปฏิบัติตามหลักการของพุทธธรรมจึงยิ่งต้องเพียรพยายามทำการอย่างเอาจิงเอาจังแต่เป็นการกระทําหรือปฏิบัติ ด, ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจตามเป็นจริงซึ่งทำให้ปลอดโปร่งเป็นอิสระผลจากการกระทําตามอํานาจบงการของตัณหาที่เข้ามาช่วยสนองอวิชชา จกพาคนให้รานรนทยานไปเพื่อให้รู้จักกรรมประเภทที่4ชัดเจนขึ้นด้วยการบรรยายสั้นๆจึงขอสรุปลักษณะทั่วไปของกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมไว้ดังนี้ข้อที่หนึ่งเป็นทางดับกรรมหรือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับกรรมคือกรรมมานิโรธคามินีปฏิปทา และพร้อมกันนั้นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเองด้วยในตัวข้อที่สองมีชื่อเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมข้อที่สามเป็นกรรมที่เกิดจากอโรภะอโทสะอโมหะ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 เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสมตามเหตุผลข้อที่หเป็นการกระทำในทางที่ดีงามเกื้อกูลอย่างเข้มแข็งจริงจังหรือเต็มที่เพราะความเพียรสติและปัญญาออกมาทำหน้าที่หนุนและนำการกระทำได้โดยตรงเนื่องจากไม่ถูกตัณหาชักพาไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตน หรือน่วงเนียวขัดทวงไม่ให้กระทาเพราะความห่วงหาติดพันในความสุขสำราญของตนข้อที่6เป็นกุศ ล, ลกรรมคือกรรมที่เป็นกุศลในระดับที่เรียกว่าเป็นโลกุตระกุศลอธถกถาว่าเป็นมัคคเจจตนาหรือมัคคยาน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 คืออริยศัสตร์ข้อที่สีนั่นเองแต่อาจมาในชื่ออื่นๆเช่นโพชงเจตไตรสิกขาเป็นต้นแล้วแต่กรณีของการปฏิบัติหรืออาจเรียกเป็นกลางๆว่าเจตนาเพื่อลากกรรมสามอย่างแรกสำหรับข้อที่5เขาตั้งข้อสังเกตว่าคนจำนวนมาก มีความเข้าใจผิดว่าตัณหาคือความอยากเป็นแรงจูงใจให้คนกระทำการต่างๆยิ่งมีตัณหามากก็จะยิ่งกระทำด้วยความกระตือรือร้อนแข็งขันมากถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีแรงจูงใจให้กระทำก็จะหยุดนิ่งอยู่เฉยอาจกลายเป็นคนเกียจคร้านความเข้าใจอย่างนี้เป็นการมองธรรมชาติของมนุษย์ไม่ทั่วตลอด เมื่อนามาใช้ในทางปฏิบัติอาจทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อชีวิตของบุคคลต่อสังคมและต่อธรรมชาติแวดล้อมความจริงตัณหาเป็นทั้งแรงจูงใจให้กระทําและแรงจูงใจให้ไม่กระทําตัณหาจะเป็นแรงจูงใจให้กระทําในกรณีที่จะสแสวงหาสิ่งเสพปรนเรอตนเอามาสนองความเห็นแก่ตัวการกระทาในกรณีนี้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 เป็นห่วงต่อการเสพสุขหรือความสำราญปลนเปลอรที่มีอยู่ในเวลานั้นอย่างน้อยแม้แต่ความสุขในการนอนและความเพลิดเพลินในการปล่อยตัวอยู่เรื่อยๆจึงเป็นเรื่องน่วงเหนียวหรือขัดถ่วงให้ไม่สามารถก้าวออกไปทำการต่างๆที่ควรจะทำตันหาในกรณีนี้จึงเป็นตัวเหตุของความเกียดคร้านยิ่งถ้ามีอวิชชาแรงมาก คือไม่รู้ไม่เข้าใจคุณค่าของการกระทํานั้นๆว่าจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่แท้จริงอย่างไรตันหาก็จะหนุนให้มีความเป็นอยู่อย่างนิ่งเฉยเฉยชาโดยในย่านนี้ตันหาจึงเป็นแรงจูงใจชักพาให้กระทําในทางเบียดเบียนหรือไม่ก็ให้ไม่กระทาโดยซึมเศร้าอยู่ในความเกียดคร้านเฉยชา สุดแต่ว่าการเสพหรือความติดในความเพลิดเพลิปนปลนเตอร์จะได้รับการสนองด้วยวิธีใดการกระทําที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขที่แท้จริงเป็นเรื่องต่างหากจากการได้เสพหรือติดในความเพลิดเพลิๆๆๆปนปลนเตรอและในหลายกรณีทําให้ต้องสละการเสพสำราญหรือการติดเพลินด้วยซ้า การกระทำเช่นนี้จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตันหานอกจากในกรณีของการสร้างเงื่อนไขแต่จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของการกระทำนั้นแล้วเกิดความพอใจที่จะกระทำขึ้นความพอใจหรือความอยากจะทำที่เกิดขึ้นตามวิธีทางนี้เรียกว่าฉันทะเรียกเต็มว่า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 ในกรณีเช่นนี้ตัณหาก็จะทำให้เกิดความทุกข์เพราะต้องทำการด้วยความบีบคั้นฝืนใจแต่ถ้าปัญญาที่รู้เข้าใจมองเห็นคุณค่านั้นแจ่มชัดมากและฉันทะมีกำลังมากพอจนพ้นจากแรงน่วงเหนียวขัดทวงของตัณหาฉันทะนอกจากเป็นแรงจูงใจในการกระทําแล้วก็จะกลายเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขด้วย จะเป็นความสุขอย่างใหม่ที่ปลอดโปร่งกว้างขวางไม่คับแคบขุนมัวอย่างความสุขจากตัณหาทําให้บุคคลกระทํางานสร้างสารรค์ด้วยจิตใจที่เป็นสุขหรือเป็นอิสระไร้ทุกข์ในกรณีเช่นนี้ก็จะเกิดสมาธิในการกระทําโดยมีความเพียรสติและปัญญาออกมาทำหน้าที่คอยหนุนและนําการกระทํานั้นโดยตรงและเต็มที่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 เมื่อไม่มีกรรมก่อผลผูกมัดก็เป็นภาวะอิสระโปรงใจไร้ทุกข์ชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างทาตรับใช้ที่คอยทำการตามคําบงการของตัณหาก็เปลี่ยนมาสู่ความมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่ทำให้เป็นนายของการกระทำอย่างเป็นไทยแก่ตนต่อไปนี้จะขอนอาําอภุธพจน์บางแห่งเกี่ยวกับกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมมาแสดงไว้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 บุคคลจงใจแล้วจึงทากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไนผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลายเป็นไนกรรมที่เสวยผลในนรกก็มีกรรมที่เสวยผลในกำเนิดดิวรชานก็มี กรรมที่สวยผลในแดนเปรตก็มีกรรมที่สวยผลในโลกมนุษย์ก็มีกรรมที่สวยผลในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลายวิบากแห่งกรรมเป็นชนิดเรากล่าวถึงวิบากแห่งกรรมว่ามีสามอย่างคือวิบากในปัจจุบัน หรือในที่อุบัติหรือในเบื้องต่อต่อไปนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นชนหนเพราะผัสะดับกรรมก็ดับมักมีองค์8ประการอันประเสรดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกรรมกล่าวคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ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 ภิกษุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นชไหนกรรมที่บุคคลกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในบนัดนี้เรียกว่ากรรมใหม่ภิกษุทั้งหลายความดับกรรมเป็นชไหนภาวะที่สัมผัสวิมุตต์เราความดับไปแห่งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเรียกว่าความดับกรรม ภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมเป็นไนได้แก่มรรคามีองค์8ปประการอันประเสรฐนี้เองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินี้เรียกว่าข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับกรรมภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของพวกเธอ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 เกิดจากโลภะมีโลภะเป็นต้นเหตุมีโลภะเป็นที่ก่อตัวขึ้นย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของบุคคล น, นั้นเกิดขึ้นกรรมนั้นให้ผลในที่ใดเขาย่อมสวยผลของกรรมนั้นในที่นั้นจะเป็นปัจจุบันหรือในที่อุบัติหรือในเบื้องต่อๆไปก็ตามกรรมที่ทำเพราะโทสะกรรมที่ทำเพราะโมหะก็เช่นเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้คืออโลภาอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมกรรมใดที่ทําเพราะอโลภาเกิดจากอโลภามีอโลภาเป็นต้นเหตุมีอโลภะเป็นที่ก่อตัวขึ้นเมื่อปราศจากโลภะแล้วกรรมนั้นก็เป็นอันถูกลาหมดไปมีมูลขาดแล้วถูกทําให้เหมือนตานยอดด้วน ถูกทำให้ไม่มีเหลือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปกรรมที่ทำเพราะอาโทสักกรรมที่ทำเพราะอาโมหะก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้คือโลภโทสะโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรม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 ภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้คืออโลพะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมกรรมใดที่ทำเพราะอโลพะเกิดจากอะโลพามีอโลภะเป็นต้นเหตุมีอโลพะเป็นที่ก่อตัวขึ้นกรรมนั้นเป็นกุศลไม่มีโทษมีสุขเป็นวิบากกรรมนั้นยอมเป็นไปเพื่อความดับ ก, กรรมไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรม กรรมใดที่ทำเพราะอาโทสะกรรมใดที่ทำเพระาะโมหะก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายปานาติบาตเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือมีโลภะเป็นเหตุก็มีมีโทสะเป็นเหตุก็มีมีโมหะเป็นเหตุก็มีแมอะทินนาทานกาเมสุมิชาจา์มุสาวาท ปิสุนาวาจาพรุสาวจาสัมผัสปลาปากอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิเราก็กล่าวว่ามีสามอย่างคือมีโลภะเป็นเหตุก็มีมีโทสะเป็นเหตุก็มีมีโมหะเป็นเหตุก็มีโดยในยะดังนี้แหละโลภะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมโทสะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมโมหะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรม รอสิ้นโลภะก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรมรอสิ้นโทสะก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรมรอสิ้นโมหะก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรมดูก่อนปุณ น, นะกรรมสี่อย่างนี้เราประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้กล่าวคือ กรรมดำมีวิบากดําดำก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีดูก่อนปุณ น, นะกรรมดำมีวิบากดําดำเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแต่งกายสังขารวัจจีสังขารมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนรั้นแล้วก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่มีการเบียดเบียนถูกต้องย่อมได้สวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนซึ่งเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นสัตว์นรก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 รั้นแล้วก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างผัษาที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างยอมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างนั้นเข้าถูกผัษะที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างถูกต้องยอมได้สวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ระคนกันดังเช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกและสัตว์วินิบาตบางพวกโดยในยะดังนี้แหละเพราะกรรมได้มีแล้วจึงมีการอุบัติของสัตว์เขาทากรรมใดก็ อ, อุบัติเพราะกรรมนั้นเขาอุบัติแล้วก็ถูกผัสสนั้นต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทของกรรม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 กรรมสี่อย่างนี้กรรมดำมีวิบากดํดำเป็นชนไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทาปานาติบาตเป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกรมเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดํดำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมขามีวิบากขาวเป็นชนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตจากอธินาทานจากกาเมสุมิชาจารจากมุสาวาทจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่ากรรมขามีวิบากขาว ยุก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นชนัยบุคคลบางคนในโลกนี้รุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างละจนถึงนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว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 ภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างนี้กรรมดำมีวิบากดํดำเป็นชนกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นชนหนกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นชนัยละจนถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นชนหนได้แก่สัมมาธิฐิจนถึงสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างนี้กรรมดามีวิบากดํดเป็นชนกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นชนกรรมทั้งดาทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวเป็นชนละจนถึงกรรมไม่ดาไม่ขาวมีวิบากไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นชนยัยได้แก่สติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง ปิติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงดูก่อนอุทายีพิษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงจนถึงอุเบกขาสัมโพชงที่อิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธอันภัยบู์เป็นมหโหรคท ประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อเธอเจริญสติสัมโพชฌงจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงตัญหาก็ถูกละหมดไปเพราะละตัญหาก ร, รมก็ถูกละหมดไปเพราะละกรรมทุกก็ถูกละหมดไปโดยในย่าดังนี้แหลเพราะสิ้นตัญหาก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุก